แนะนำบทอัตตารีบบทอัตตารีมเป็นบทมาดานียะมีส2บสององค์การบทได้เริ่มกล่าวถึงการที่ท่านรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมห้ามตัวท่านไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับทาตของท่านคือมารียะอัลกิบดียะซึ่งเป็นชาวกอฟมาจากอีกยบและห้ามตัวท่านไม่ให้มีความสัมพันธ์กับนางเพื่อเอาใจภริยาบางคนของท่าน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 และอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับภริยาที่อยู่ในความคุ้มครองของผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นการเตือนแก่คนทั้งหลายว่าปารโลกนั้นไม่มีผู้ใดจะช่วยเหลือผู้ใดได้เลยบรรพบรุษและวงตระกูลนั้นก็จะไม่อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใดเลยเมื่อผลงานของมนุษย์ไม่ดีเป็นการจบบทอย่างน่าประทับใจสอดคล้องกับบรรยากาศและเป้าหมายของบทในการปูพื้นฐานแห่งความดีงามและการศรัทธา ด้วยพระนามของ Allah, องัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยาอเยฮนบีลมาริมมาอัลลอฮุลักบตะมอัา ا ل ل ه โอ้นบีเอ๋ยทำไมเจ้าจึงห้ามสิ่งที่อัลลอ์ได้ทรงอนุมัติให้แก่เจ้า เพื่อแสวงหาความพึงพอใจของบรรดาภริยาของเจ้าเราแ ล, าล้วลอ้นนั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอความจริงอลัลลอฮ์ได้ทรงกําหนดแก่พวกเจ้าแล้วในการแก้คําสาบานของพวกเจ้าแ ล, าล้วลอ้นนั้นเป็นผู้ทรงคุ้มครองพวกเจ้า และพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญ และจงรำลึกถึงขณะที่ท่านนาบีได้บอกความลับเรื่องหนึ่งแก่ภริยาบางคนของเขาครั้นเมื่อนางได้บอกเล่าเรื่องนี้แก่คนอื่นแ ล, ล้วลอได้ส่งแจ้งเรื่องนี้แก่เขาท่านนาบีเขาก็ได้แจ้งบางส่วนของเรื่องนี้และได้แจ้งอีกบางส่วน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 ال หากเจ้าทั้งสองกลับเนื้อกลับตัวขอไผ่ทั่วต่อร์ก็จะเป็นการดีแก่เจ้าทั้งสองเพราะแน่นอนหัวใจของเจ้าทั้งสองก็อ่อนโยนอยู่แล้วแต่หากเจ้าทั้งสองร่วมกันต่อต้านเขาท่านนาบี แท้จริงคือผู้ทรงคุ้มครองของเขาอีกทั้งยิบรออีนและบรรดาผู้ศรัทธาที่ดีๆและนอกจากนั้นมาลาิกะก็ยังเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนเขาอีกด้วย